มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตกะปัญหาปฐมวัคคับพาวักันติปัญหาที่หกถามว่าที่ตรัสไว้ว่าสัตว์ลงสู่คันด้วยสันนิบาตสามประการเหตุไร สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหาการุณามีพระพุทธดีการตรัสไว้ว่าลักษณะแห่งสัตว์ทั้งหลายคือหญิงชายชาติสัตว์ติรัชฉานจะย่างลงสู่คันย่อมมีสันนิบาตประชุมพร้อมทั้งสามประการคือบิดามารดาพร้อมเปลี่ยงกันประการหนึ่งมารดามีฤดูประการหนึ่ง สัตว์ลงปฏิสนธิประการหนึ่งสิริเป็นสันนิบาตสามประการชนิดถ้าว่าย่อนจากสันนิบาตขาดไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนั้นสตรีภาพจะมีคันหาไม่ได้พระพุทธดีการตรัสไว้ชนี้เป็นที่มนุษย์นิกรเทพดาจะพึงฟังจําไว้เป็นเยี่ยงอย่างไปครั้นว่าตรัสไว้ดังนี้แล้วมีพระพุทธดีการตรัสเทศนาในที่อื่นว่า สันนิบาตมีสองประการเล่าเหมือนเจ้าสามกระนั้นลงปฏิสนธิในคันนางปาริกาดาบาซีนีมีแต่สันนิบาตทั้งสองเป็นแต่พระทุกกุลบันดิตลูบท้องนางปาริกาผู้มรีระดูจะจัดเป็นบิดามารดาพร้อมเพรียงกันนั้นอย่างไม่ได้จึงได้แต่สันนิบาตสองประการคือนางปาริกามีระดูประการหนึ่งพระสามลงมาปฏิสนธิประการหนึ่ง สิลิเป็นสันนิบาตสองประการเท่านี้จะได้มีสันนิบาตเป็นสามประการหามิได้ข้อหนึ่งเล่าใช่แต่เท่านั้นเหมือนอิสีสิงคาดาบทนั้นมารดาก็เป็นมริขีนางเนื้อมากลืนกล้มกินซึ่งอสุจิของพระฤาษีอันตกติดอยู่กับเส้นญ้านั้นก็มีอยู่นิทานหนึ่งใช่แต่เท่านั้นเหมือนมาตังคฤศี รูปลงที่นาพีนางพรามณีด้วยมือขวาเมื่อขณะระดูมีมาได้บุตรชื่อว่าเจ้ามันทับพระมานพนี้เรื่องหนึ่งใช่แต่เท่านั้นเหมือนหนึ่งสังกิจจากุมารอันเป็นลูกนางเนื้ออันกินซึ่งอสุจิแห่งพระดาบทอันไหลบนน้ําปัสสาวะติดจูกับเส้นญ้านี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งใช่แต่เท่านั้นเหมือนหนึ่งพระกุมารากัดศพ อันเป็นบุตรนางพิกุณีด้วยนางพิกุณีเอาอาสุจิพระมหาเถระใส่ลงในกลางกำเนิดนั้นก็มีปรากฏอยู่นิทานหนึ่งนี่แลจะเชื่อเอาคาหน้าว่าสันนิบาตมีสามประการคาหลังที่ตรัสว่าสันนิบาตสองประการก็ผิดถ้าจะเชื่อคาหลังคาหน้าก็ผิดปริศนานี้เป็นอุพัโตโกติ นิมนต์โปรดวิสัชนาเพื่อว่าจะดับเสียซึ่งคำประรับประวาดอันมีไปภายภาคหน้าให้สิ้นวิมติกังขาในการบัดนี้พระนางเกษเถระาเจ้าจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระทุสพลยานตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรโดประทานไว้ว่าสัจจะลงปฏิสนธิในคันมารดา บริบูรณด้วยสันนิบาตสามประการจะได้ผิดหามิได้คนทั้งหลายซึ่งบังเกิดมานี้จะได้คลาดจากสันนิบาตสามประการหามิได้เกิดด้วยสันนิบาต ท, ทั้งสามสิ้นพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโองการตรัสว่านิมนต์พระเป็นเจ้านำเอาเหตุมาวิสัชนาให้สิ้นสงสัยก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราช ดุราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสุตะปุพังปณะตายาบอพิษย่อมได้สวนาการฟังมาแต่ก่อนบ้างหรือไม่ว่าพระสามก็ดีพระอิสีสิงคดาบทก็ดีพระกุมารากสศศภเทระเจ้าก็ดีคนทั้งสามนี้เกิดด้วยสันนิบาตสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเต เออฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมได้ฟังมาช่นนี้ว่าทเวมิะเทนุโยยังมีแม่มรุขีทั้งสองยาเมื่อฤดูมานั้นแม่เนื้อนั้นสัญจรเที่ยวมาที่ปัสสาวะฐานของพระดาบ ท, ทั้งสองอันถ่ายปัสสาวะนั้นจึงลิ้มเลียกินซึ่งสัมภะของพระดาบทันติดปัสสาวะออกมาตกอยู่จึงมีท้องเกิดดาบ ท, ทั้งสอง คืออิศีสิงคดาบทและสังกิตจกุมารดาบทประการหนึ่งพระอุทายีเถระเจ้าเข้าไปสู่สำนักนางภิกขุณีเพ่งดูนางภิกขุณีองหนึ่งจึงมีสัมภาวะไหลออกมาตกติดผ้ากาสาวพัดอยู่ก็พอนางภิกขุณีนั้นมีระดูได้ทัศนาการเห็นสัมภาวะติดอยู่จึงเอาสัมภาวะนั้นใส่ในนิมิตกำเนิดบ้าง ใส่ปากบ้างด้วยความกำหนัดยินดีจึงมีคันเกิดพระกุมารกัดศพเถระพระนาคเขเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาบาพิตรชนี้เชื่อถือเอาเป็นมั่นคงแล้วหรือพระเจ้าวิลินตรัสว่ายมเชื่อถ้อยคำอันนี้เปรียบดุจพืชทั้งหลายตกลงกับพื้นปัตรพีอันชุ่มเปียกเป็นกะละละอยู่นั้น สังวิรุหันตีจะงอกเร็วหรือว่าหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารธรรมดาว่าพืชหวานลงเหนือปัถถพีอันชุ่มแล้วก็จะมเริญงอกเร็วขึ้นพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าความซึ่งเปรียบมาชะนี้ฉันใดก็ดีนางพิขุณีนั้น มีระ ด, ดูโลหิตนั้นมีอยู่ขั้นเอาสัมภะใส่ลงไปในนิมิตมีโลหิตอันหยุดแล้วจึงตั้งขันเปรียบดุดพืชตกลงในที่ชุ่มเปียกนั้นก็งอกจเจริญไปโยมนี้ตรองไปจึงเชื่อดุดเหตุที่วิสัชนามาพระนาคเสนจึงถามว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารเหมือนพระกุมารากัดศบ ลงปฏิสนธิในคันนางพิกุณีนั้นบพิษเข้าพระไทยชนี้หรือพระราชสมภารพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมเข้าใจชนี้พระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่ากระนั้นก็ดีแล้วมหาบพิษกล่าววาจาเลี้ยวมาตามวิสัยแห่งอัตมา ชื่อว่าเป็นประโยชน์แกอัตมามากยังอีกข้อหนึ่งแม่เนื้อทั้งสองกินสัมภวะแห่งพระดาบททั้งสองมีท้องนั้นเล่าพระราชสมภารเจ้าจะเชื่อหรือพระเจ้าวิลินตรัสว่าโยมเชื่อถืออยู่พระผู้เป็นเจ้าจะเปรียบฉันใดเล่าเปรียบดุดแม่น้ำทั้งหลายใหญ่น้อยย่อมไหลลงตรงไปยังมหาสมุทรถึงที่แล้วมีความเจริญฉันใด แม่เนื้อได้กินสัมภะแห่งพระดาบทนั้นสัมภะไหลไปสู่กาละละนั้นก็พากันจำเริญเหมือนดังนั้นสัตว์จริงปฏิสนธิโยมนี้เชื่อด้วยเหตุชะนี้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชาสมภารพระองค์วิสัชนามานี้มีหลักฐานเป็นประโยชน์แก่อัตมายิ่งขึ้นเพราะว่า แม่เนื้อทั้งสองดื่มกินซึ่งอาสุจิก็เป็นสันนิบาตได้ก็สังกิต จ, จากกุมารและอิศีสิงคดาบทพระกุมาลากัดศพทั้งสามนี้ลงปฏิสนธิพระองค์ทรงเชื่อหรือสมเด็จพระเจ้ามิลินรับว่าโยมเชื่ออยู่ว่าสันนิบาตย่อมประชุมลงพระน่าเกษรถวายพระพรว่าเจ้าสามกุมาลและมันทัพพยะมานพนั้น ก็นับในสันนิบาตสามประการมีเนื้อความอย่างเดียวกันกันกบที่ว่ามาในก่อนอัตมาจะวิสันาเหตุผลให้ฟังกิระดังจะได้ยินมาทเวตาภาษาอันว่าพระดาบททั้งสองอยู่ในอารันราวป่าคือพระทุกกุลดาบทและนางปาริกาดาบสินีพระดาบททั้งสองนี้วิเวกาธิมุตตา ยินดีในที่วิเวกอันสงัดประกอบด้วยตบะเดฒมากปรากฏไปจนถึงพรหมโลกเบื้องบนตลอดสิน้นสักโกเทวานามินโทฝ่ายสมเด็จเท้าสหัสนันเทเวศอามารินมีนามพระไทยศรัทธายินดีอุตสาหะลงจากเวชยันตวิมานมาสู่ส่วนฐานที่อยู่แห่งพระดาบททั้งสองมาอุปถากทุกเช้าทุกเย็นนิดนิรันมา สมเด็จอมรินธาราที่ราชผู้ประกอบด้วยวัตตะปฏิบัติอันควรเคารพและประกอบด้วยเมตตาจึงได้พิจารณาดูด้วยทิพยจักษุทรงรำพึงถึงพระดาบททั้งสองก็เห็นว่าภัยจะมีมาข้างหน้าอานิจจาพระดาบททั้งสองนี้จะมีจักษุอันเสื่อมจะมืดงมงายจะขวนขวายหาพฤกษาพลาหารเป็นอันยากยิ่งนะัก สมเด็จอมรินทราที่ราชทรงอาวัชนาการเห็นภัยชะนี้จะมีแน่แก่พระดาบททั้งสองจึงดํารัสว่าจําอัตมานี้จะไปว่าให้พระดาบททั้งสองซ่องเสพตามประเพณีโลกจะได้เกิดบุตรปรนิบัติไปเบื้องหน้าสมเด็จอมรินทราที่ราดดำริแล้วก็ขไลาจากวิมานฟ้าลงมาสู่สํานักพระดาบททั้งสอง กระทำวันธนาการแล้วมีเทวะบัญชาว่าพันเตฆ่าแต่ท่านทั้งสองพูดเจริญพระผู้เป็นเจ้าจงฟังถ้อยคำแห่งข้าจงเสพกามเถิดจะได้เกิดบุตรจะได้อภิบาลปรนิบัติรักษานานไปเมื่อหน้าภัยจะมีแก่พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพระดาบททั้งสองก็มีวาจาห้ามเสว่าโพส ก, กะ ดูกระสมเด็จอมรินผู้เจริญท่านอย่าได้มาว่ากล่าวเช่นนี้จะได้ชอบใจเราทั้งสองหามิได้ส่วนสมเด็จเท้าสหัสสนยเทวราชอนุกรรมปิโกปรารถนาจะ อ, อนุเคราะห์การุณิโกประกอบด้วยการุณาอัถกามโมปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่พระดาบททั้งสองก็เข้าไปตักเตือนเหมือนดังนั้นถึงสองครั้ง พระดาบทั้งสองก็ห้ามเสียเหมือนดังก่อนครั้นวาระเป็นคำรบสามพระดาบททั้งสองก็ห้ามเสียด้วยคำดังนี้ว่าดูกระสมเด็จเท้าโกศีบอพิษมาตรั ด, ดังนี้ได้ชื่อว่าประกอบในที่มิได้เป็นประโยชน์ได้ชื่อว่านาเอาโทษมาให้แก่เราประการหนึ่งเล่าอายังกายโย อ, อันว่ากายแห่งเราทั้งสองนี้พิชมาโน เมื่อภัยจะมาผ่านต้องให้ทำลายจงทำลายเถิดจะให้เราทำลายจากธรรมอันประเสรฐนี้ทำลายไม่ได้ถึงธรณีจะถล่มไปและเขาใหญ่เมรุมาตจะวาดไว้ออนอ่อนอยู่ไปมาอีกพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นจะตกไปประการใดและจะให้เรายินดีในทางที่จะเสพอสัตยธรรมไม่ได้ตั้งแต่นี้ไป บพิษจะได้ไปมาหาสู่เราทั้งสองเพราะเหตุว่าวิสาสะกับบพิษนั้นเป็นช่องทางล่อลวงให้ชิบหายหาประโยชน์ไม่ได้ตะโตเทวานามินโทอันดับนั้นสมเด็จเทวานามินธระเทวราชได้ฟังซึ่งโอวาทพระดาบทกล่าวดังนี้จึงอัญชลีกรวิงวอนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ส่องเสพอสต ธ, ธรรมก็ตามอัจฉรัยจงคอยให้พระปาริกาดาบสินีมีรดูพระผู้เป็นเจ้าจงปรามาตรูปลงที่พระนาภีของพระปาริกาด้วยนิ้วแม่มือเบื้องขวาเถิดก็จะเกิดบุตรขึ้นในคันพระทุกกุละดาบทผู้ประเสริฐฟังสมเด็จอมรินวิงวอนจึงทรงพระอนุสอ์คำหนึ่งว่า การที่จะรูปนาภีพระปาริกาอัตมาไม่ได้เสียตบะเดชะพระทุกุลบัณฑิตคิดเห็นชัดชนี้ก็รับถ้อยคำสมเด็จเท้าโกสีเนื้อความข้อนี้ยกไว้ก่อนตายะจะปะนะเวลายะก็ในเวลานั้นพระบรมโพธิสัตว์ของเรานี้ได้อุบัติบังเกิดเป็นเทวบุตรมีกุศลธรรมบริบูรณ์ ขีนายุโกมีชนามายุจวนจะสิ้นเวลาสิ้นอายุแล้วสามารถจะไปบังเกิดที่ใดใดได้ตามปรารถนาที่สุดกระทั่งตระกูลพระเจ้าจะกระพัดฝ่ายสมเด็จอมรินก็เสด็จยังสำนักเท พ, พบุตรนั้นมิได้ช้าเอวะมาหา์จึงมีเทวะบัญชาว่ามาริสะดูกะระท่านผู้เนียรทุกมีแต่ความสุข วันนี้เป็นวันจะให้สเร็จประโยชน์ของท่านเรามาอุปถาคท่านบัทนี้ก็ประสงค์จะให้ท่านไปบังเกิดในตระกูลที่สมควรท่านจะได้ไปสร้างพระบารมีอัญชลีโตสมเด็จเท้าโกสีอัญชลีกรวิงวอนเทวบุตรนี้ถึงสองครั้งสามครั้งส่วนว่าเทพบุตรนั้นได้ทรงฟังจึงถามสมเด็จอมารินว่า ท่านมาวิงบอลแก่เราหนึงเนื่องสันเริญตระกูลที่จะให้เราไปบังเกิดตระกูลนั้นเป็นตระกูลอันใดสมเด็จเท้าสหัสสนจึงบอกว่าตระกูลทุ ก, กุละดาบทกับนางปาริกาดาบาสินีส่วนเทพบุตรนั้นตังวจันังสุตตว่าได้ฟังถ้อยคำดังนั้นก็ชื่นชมยินดีรับถ้อยคำเท้าโกสีแล้วก็มีเทวบัญชาว่า ดุกระอมรินที่ท่านปรารถนานี้จงสําเร็จดังใจเถิดตัวเรานี้ก็วิตกอยู่ว่าจะไปบังเกิดในตระกูลอันใดจะไปเกิดในอันเดชะกําเนิดหรือหรือว่าจะไปเกิดในฉลามพุชชะกาเนิดหรือว่าจะไปเกิดในกําเนิดเป็นสังเสรชะประการใดหรือว่าจะไปเกิดในอุป ป, ปาติกะกําเนิดประการใดใด แต่นึกนึกอยู่ในใจฉชนี้ก็พอเท้าโกศีอาราธนาสมเด็จอมรินรทราธิราชจึงมีเทวะบัญชาว่าข้าพเจ้าขออาราธนาให้เกิดในชาลามผู้ชักําเนิดดังนี้แล้วสมเด็จเท้าโกสีกําหนดนัดวันที่จะบังเกิดและลงมานัดสัญญากับพระทุกกุลดาบุตรกำหนดว่าวันนั้นเวลานั้นพระปาริการะดูจะมา อารัธนาพระผู้เป็นเจ้าจงปรามาศลงที่พระนาภีพระปาริกาด้วยมือเบื้องขวานั้นเถิดสั่งแล้วสมเด็จสหัสสนผู้ประเสริฐก็ยกกรอัญฉลีลามายังเวชยันมหาวิมานมาศอันเป็นนิวาสสถานของพระองค์ตัดสมิงทิวเสยครั้นถึงวันพระอินกำหนดนางปาริกาดาบสินีก็มีระดูมา ส่วนว่าพระทุกุลและฤาษีก็ปรามาดลงที่นาพีพระปาริกาด้วยแม่มือข้างขวาส่วนว่าเทวบุตรก็จุติลงปฏิสนธิเป็นสันนิบาตสามประการดังวิสัชนามาชนี้ประการหนึ่งเล่าเมื่อพระดาบทตปรามาศลงที่นาพีนางปาริกาดาบสินีก็มีราคะบังเกิดขึ้น ครันราคาอาศัยโสมนัสบังเกิดขึ้นแล้วยิ่งอาศัยปรามาตนาภีด้วยเล่าเหตุฉชนี้จึงว่านาภีปรามานี้เป็นสันนิบาตอันหนึ่งและนาภีปรามาตจัดเป็นสันนิบาตอันหนึ่งข้อนี้ยกไว้จะว่าด้วยลักษณะอัจฉาารย์อันหญิงชายทั้งหลายนี้มีสันนิบาตด้วยกิริยาต่างๆ คือถ้อยทีถ้อยยินดียิ้มแย้มหากันก็จัดเป็นสันนิบาตประการหนึ่งถ้อยทีถ้อยพูดจาเรียกกันนี้ก็เป็นสันนิบาตอันหนึ่งถ้อยทีถ้อยเลงแลดูกันทั้งสองฝ่ายก็จัดเป็นสันนิบาตประการหนึ่งสันนิบาต ท, ทั้งสามประการนี้เป็นเขาเป็นมูลเป็นต้นเดิมก่อนแล้วจึงจะมีอามัสณะสันนิบาตคือชายหญิงถูกต้องกายกัน ครันอามะสนะสันนิบาตมีแล้วโอกันติสันนิบาตก็มีโอกันติสันนิบา ต, น, ต, น, บาตนี่แหละจัดได้ชื่อว่าปฏิสนธิมหาราชะขอถวายพระพรที่ไม่ได้ซ่องเสพอัจฉาจา์เป็นแต่ถูกต้องตัวเข้าสัตว์ก็ลงปฏิสนธิได้จะเปรียบฉันใดอุปมาดุดอักขีอันมีเปลวรุ่งโรยโชตนาการ ครันว่าบุคคลคขมนาการเข้าใกล้ก็ร้อนเป็นเปลวเพลิงเปลวเพลิง น, น, นั้นกําจัดเสียได้ซึ่งหนาวอาจจะห้ามมิให้หนาวได้เพราะต้องเปลวเพลิงฉันใดสัตว์ลงปฏิสนธิด้วยถูกต้องตัวมารดาไม่ได้เสพอัจฉาจารนั้นก็เหมือนกันกันกบคนผิงไฟฉะนั้นใช่แต่เท่านี้สัตว์จะลงปฏิสนธิด้วยเหตุสี่ประการคือ กรรมวเสนาด้วยสามารถกรรมประการหนึ่งโยนิวเสนาด้วยสามารถกำเนิดประการหนึ่งกุระวเสนาด้วยสามารถตระกูลประการหนึ่งอาญาจนะวเสนาด้วยสามารถนิมนต์ให้เกิดประการหนึ่งเป็นสี่ประการที่สัตว์ท <Knight of God> ั้งหลายเกิดด้วยอำนาจกรรมนั้นประการใดอุศนากุศลมูลา สัตว์ที่มีกุศลมูลได้สร้างสมอบรมมากล้าหาญแม้นปรารถนาจากบังเกิดในตระกูลอันใดขัตติยะมหาสาลกุเลวาในตระกูลขัตติยะมหาศาลก็ลลกลาากดีพรามณะมหาสาลกุเลวาในตระกูลพรามณะมหาศาลกด็ดีขหะปฏิมหาสาลกุเลวาในตระกูลคฤหบดีมหาศาลก็ดี เทเวสุวาในสวรรค์ชั้นเทวดาก็ดีหรือว่าจะเกิดในอันทชากำเนิดก็ดีสังเสริฐชากำเนิดก็ดีชลามผู้ชากำเนิดก็ดีอุป ป, ปาติกะกำเนิดก็ดีมีกุศลอันกล้าแล้วก็ได้สมดุลปรารถนามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบปานดุดบุรุษ อัทโธมั่งคั่งมหัธโนมีทรัพย์มากมหาโพโคมีโภคขสมบัติมากปะหูตะชาตรูประรัชะโตมีเงินทองมากปะหูตะวิตูปะการโนมีทรัพย์เครื่องใช้มากปะหูตะทันโยมีทรัพย์เข้าเปลือบมากและบุรุษผู้นี้แม้จะปราถนาทาสังวาซึ่งข้าชายก็ดี ท้าสิงวะซึ่งข้าหญิงก็ดีและจะปรารถนานิคมังวาซึ่งนิคมบ้านน้อยก็ดีขามันตรังวาซึ่งระหว่างแห่งบ้านใหญ่ก็ดีชนะประเทศสังวาซึ่งประเทศชนบทก็ดีมีรั์ให้รั์ทวีคูณแล้วก็ได้สมดังปรารถนายะถามีขรุวนาฉันใดบุคคลที่มีกุศลกรรมเป็นอันมากนั้น จะบังเกิดไหนก็ได้สิ้นเหมือนบุรุษที่มีทรัพย์มากนั้นอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าปฏิสนธิด้วยอำนาจกรรมอันหนึ่งที่ว่าสัตว์ปฏิสนธิด้วยสามารถแห่งกำเนิดนั้นประการใดได้ความว่ากุกกุตานางวาเตนะไก่ทั้งหลายปฏิสนธิด้วยลมภกานางเมฆะสเรนะ นกกยางทั้งหลายปฏิสนธิด้วยเสียงเมฆสัพเพปิเทวาเทวดาทั้งหลายนั้นมิได้เกิดในคันสัตว์เกิดในคันนี้มีสันฐานต่างกันยะถามีขรุวนาฉันใดดุจมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นมหิยาจารันติอันเที่ยวอยู่ในแผ่นดินนานาวันเนนะด้วยเพศต่างๆ เกจิปูระโตบางหมู่นุ่งห่มปกหน้าบางจำพวกนุ่งห่มผ้าปกหลังบางจำพวกนักขาเป็นเปลือยบางจำพวกนุ่งขาวห่มขาวบางจำพวกทรงดอกไม้บางจำพวกทรงผ้าสีเหลืองบางจำพวกเอาผ้าพันมวยผมบางจำพวกนุ่งห่มหนังเสือบางจำพวกนุ่งผ้าเปลือกไม้ขากรอง หุมห่อกายาบางจําพวกนุ่งจํามาสารพัดหนังสัตว์ตามจะมีบางจําพวกเป็นฤือีนุ่งผ้าใบไม้หุ้มห่อกายนี่แหละมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีลักษณะต่างๆกันมหิยาจารันติเที่ยวอยู่ในแผ่นดินชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเกิดในกําเนิดต่างกันดุจนรชาติทั้งหลายนั้นคขปาวักันติ สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิด้วยสามารตรกูลนั้นประการใดจัตาริกูลานิได้แก่ตรกูลทั้งสี่คืออันดชะตรกูลประการหนึ่งสังเสรทชะตรกูลประการหนึ่งชลามพุชะตรกูลประการหนึ่งอุป ป, ปาติกะตรกูลประการหนึ่งสิลิเป็นตรกูลสี่เท่านี้อันดชะตรกูลนั้นได้แก่ ตระกูลสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในฟองฟักเช่นไก่และนกเป็นต้นชลามพุชะตระกูลนั้นได้แก่ตระกูลแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกาลละเป็นคภะเสยกะสัตว์ได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสี่เท้าเช่นเนื้อและสุ ก, กรเป็นต้นสังเสทชะตระกูลนั้นได้แก่ตระกูลสัตว์ที่เกิดในอบไอเหงื่อใครมีเลือดอไรเป็นต้น อุป ป, ปาติกะตระกูลนั้นได้แก่ตระกูลแห่งสัตว์ที่เกิดขึ้นเองดุ ด, ดังว่าลอยมาเกิดได้แก่เทพพ ย, ยดาในชั้นจาตุ ม, มหาราชิกาเป็นต้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในประเภทใดและชาติใดก็ดีถ้ามาเกิดในฟองฟักแล้วเพศพันธุ์ก็เป็นอันดชะอย่างเดียวกันที่เกิดมาเป็นชลามพุชะและสังเสชะชะอุป ป, ปาติกะ เพศพันธ์แห่งสัตว์ทั้งหลายที่ตายจากตระกูลทั้งหลายดังวิสัชนามานี้จะไปอุปัตตนาการบังเกิดในตระกูลใดก็มีกายเหมือนตระกูลนั้นถ้าเกิดในอันดัชตระกูลก็ต้องเกิดแต่ไข่ที่เกิดในสังเสทชะตระกูลก็ไปบังเกิดเป็นสังเสรชะที่ไปเกิดในชะลามพุชะตระกูลก็เกิดเป็นชะลามพุชะ ที่ไปเกิดในอุป ป, ปาติกะตระกูลก็บังเกิดเป็นอุป ป, ปาติกะตกว่าละเพศเดิมเสียกลับกลายไปตามตระกูลนั้นเหมือนเนื้อนกอันสัญจรเข้าไปที่ข้างเขาเมรุคีรินก็กลายเป็นสีทองไปฉะนั้นอันหนึ่งเล่าที่ว่าสัตว์ปฏิสนธิด้วยมสามารถเชื้อเชิญ น, นั้นแต่แก่ตระกูลอันมีศีลมีศรัทธามีเจตนาเป็นกุศล เทพบุตรใดบริบูรณ์ด้วยกุศลสมควรที่จะจุติมาบังเกิดนั่นแหละสมเด็จอมรินทราที่ราชมีจิตเมตตาแก่ตระกูลนั้นจึงไปสู่สำนักแห่งเทพผบุตรนั้นและอาราธนาวิงวอนว่ามาริษะดูกระหะท่านผู้เนียรทุกขท่านจงไปบังเกิดในตระกูลนั้นนั้นเถิดเทพผบุตรผู้จะจุติไปเกิดนั้นรับปฏิญญาณจึงไปเกิดในตระกูลนั้น ยาจนะเหตุเป็นเหตุเท้าสหัสเนตรเชื้อเชิญมหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดมนุษย์ทั้งหลายเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิในพระบวรพุทธศาสนาปุญญากามาปรารถนาจะให้เป็นกุศลจึงอรัธนานิมนต์สมณนะมโนภาวนียังอันมีศีลอันดีเป็นที่จเจริญใจ ให้เข้าไปสู่เคหาของอัตมาด้วยใจเจตนาว่าสมณรูปนี้ได้ไปสู่ตระกูลของอัตมาแล้วสุขาวะโหจะนำมาซึ่งสุขสวัสดีมงคลอันเลิศแก่ตระกูลของอัตมาฉันใดดุกระบอพิษผู้ประเสริฐในภพแผ่นดินสมเด็จอมรินทราธิราชปรารถนาจะให้ตระกูลนั้นเป็นประโยชน์เป็นผล ก็นิมนเชื้อเชิญเทวบุตรให้จุติมาเกิดในตระกูลนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอันไปนิมนต์พระสมณะอันมีสีนั้นนี่แหละลักษณะแห่งคับภาวักันติคือลงปฏิสนธิด้วยอาราธนาเชื้อเชิญสิ้นใจความเท่านี้เมื่อพระนาคเสดถวายวิสันาเหตุปฏิสนธิสี่ประการแล้วจึงถวายพระผนว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารสามโออันว่าพระสามนี้สุวรรณวันโนมีสีสันงามดังทองมาเกิดในคันนางปาริกาตาปะสีนีนั้นเท้าวกสีก็นิมนต์มาเกิดอันหนึ่งพระสามนั้นมีอภินิหารอันสั่งสมอบรมมากแล้วมารดาบิดาก็มีศีลมีกัลยาณธรรม ทั้งผู้อาราธนาก็เป็นมาเหสักขเทวราชอาศัยเจโตปนิธิการตั้งใจแห่งท่านทั้งสามตามที่กล่าวมานี้พระสามกุมารผู้มีสีสันวันนะสันฐานอันงดงามจึงเกิดได้ยะถามหาราชะอันหนึ่งเล่าดูราณะบพิษพระราชสมภารพระองค์จงทรงฟังอุปมาอีกเปรียบปานดุจบุรุษผู้หนึ่งกุสโล เป็นคนฉลาดหวานพืชลงที่นาอันดีมหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารดังอัตมาถามพืชนั้นจะงามหรือว่าจะมีอันตรายประการใดนะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพืชที่หวานก็งามตราการจำเริญไป พระนาคเสนจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้เป็นใหญ่พระสุวรรณสามบริบูรณ์ไปด้วยเหตุทั้งสามประการงามเฉิดฉายหาอันตรายบ่อมิได้อุปมาเหมือนพืช น, นั้นอันหนึ่งบอพิษพระราชาสมภารได้ทรงสวนาการบ้างหรือหาไม่ว่นชนบทหนึ่งใหญ่มั่งคั่งเกิดอันตรายชิบหายด้วยจิตประทุษร้ายแก่พระฤาษี สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าโยมได้ฟังว่าชนบททั้งหลายแห่งพระเจ้าทันธ ก, กะและชนบททั้งหลายแห่งพระเจ้าเมชะและชนบททั้งหลายแห่งพระเจ้ากาลินคะและชนบทแห่งพระเจ้ามาตังคะนั้นฉิบหายกลายเป็นป่าไปด้วยจิตประทุษร้ายในพระฤาษีพระนาคเกษจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ ดุราณะบพิษพระราชาสมภารชนบททั้งหลายเป็นอันตรายด้วยความคิดร้ายในพระฤาษีมีอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสชื่นชมยินดีในพระฤาษีจะมีสุขบ้างหรือไม่สมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าถ้าว่าชนบททั้งหลายมีจิตเลื่อมใส ย, ยินดีในพระฤาษีแล้วชนบทนั้น ไม่มีทุกข์เป็นสุขนักหนาพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารพระสามโพธิสัตน์นี้เป็นอิสินิมิตคือพระฤาษีทั้งสองเสียงให้เกิดแล้วเป็นทั้งเทพนิมิตคือพระอินนิมนต์ให้เกิดเป็นบุญยนิมิตคือพร้อมด้วยบุญกุศลอานหนึ่งเล่า ดูราณะบพิษพระราชสมภารเทพบุตรที่พระอินทนิมนต์ให้เกิดนี้มีสี่พระองค์คือพระยากุสะราชองค์หนึ่งเท้ามหาปนาทองค์หนึ่งพระสุวรรณสามองค์หนึ่งพระเวสสันดรองค์หนึ่งบพิษพระราชสมภารพึงทราบพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระน้าเกษวิสัชนามาชะนี้ ไม่มีความสงสัยก็ส่องสาธุกการว่าคบปาวกันติปัญหานี้ลึกกล้ำคำเพรลภาพรกชัดฟั่นเฟือเหลือที่ธรรมกะถึกจะแก้ไขผิดจากพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วเต็มทีอยู่พระผู้เป็นเจ้ามาแก้ไขด้วยสันนิบาตให้ประราดออกไปโดยเข้าใจแล้วโยมจะ ก, กำหนดจดจำไว้ เพื่อกุลบุตรอันเกิดมาเป็นปัจฉิมาชนาตาในอนาคตการข้างหน้านั้นขปวการติปัญหาเป็นคำรบหกจบเท่านี้